วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้พุทธศาส น, านิกชนพุทธบริษัทได้เข้าวัดกันเพื่อจะได้มาทำภารกิจทางธรรมให้เราหยุดภารกิจทางโลกหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้ มาเรียนรู้ภารกิจทางธรรมที่มีความสำคัญกว่าภารกิจทางโลกในโลกนี้มีภารกิจอยู่สองประเภทด้วยกันคือภารกิจทางโลกและภารกิจทางธรรมภารกิจทางโลกเป็นภารกิจที่ เป็นโทษต่อจิตใจเพราะเป็นภารกิจที่ทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นส่วนภารกิจทางธรรมเป็นภารกิจที่จะนาพาผู้ปฏิบัติให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ใดปรารถนาการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องมาทำภารกิจทางธรรมภารกิจทางโลกคือการแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายภารกิจทางโลกนี้ทำด้วยเกิดจากความอยาก คือกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหาที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายตามมาถ้าตราบใดยังมีการแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่กราบนั้น ก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นภารกิจทางโลกจึงภารกิจเป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้ารงสารให้พุทธศาสนิกชนให้ละกันและให้มาทาภารกิจทางธรรม เพื่อที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจทุกข์นั่นเองเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายมีการพัดพรากจากกันซึ่งไม่มีใคร ที่เกิดมาแล้วอยากจะพบกันแต่ก็หนีไปไม่พ้นทุกคนที่เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ส่งคนพบภารกิจทางธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสรงตัสรู้ภารกิจทางธรรมนี้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนจะไม่มีใครสามารถที่จะเล็ดลอดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีพระพุทธเจ้า มาตัดสรุภารกิจทางธรรมแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกอย่างพวกเราถึงจะมีโอกาสที่จะหลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะมีจิตสำนึกในพระคุณอันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งค้นพบภารกิจทางธรรมที่จะทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการน้อมเอาภารกิจที่ทรงมอบหมายให้กับพวกเหล่านี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันด้วยการเข้าวัดกันในวันพระ เพื่อที่เราจะได้มาศึกษาว่าภารกิจทางธรรมนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้น้อมนำออกไปปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะสัมผัสกับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติก็คือการลดลงของความทุกข์ของใจ ความสุขของใจจะมีเพิ่มขึ้นตามลําดับก็จะทําให้เรามีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจากการเข้าวัดเพียงวันละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระก็จะเพิ่มเป็นสองวันสามวันและเมื่อปฏิบัติมากขึ้นเท่าไหร่ผลก็จะได้เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้น ความทุกข์ใจก็จะน้อยลงไปความสุขใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็จะเข้าวัดตลอดเลยอยู่วัดตลอดเลยอยู่เป็นนักบวชไปเลยนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติภารกิจทางธรรมเป็นอย่างนี้พระอาจาร์ตาสาวกทั้งหลายก็มาจากพวกเรานี้เอง มาจากปุถุชนคนธรรมดาสามัญที่ติดอยู่กับภารกิจทางโลกมาก่อนแต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อก็เข้าวัดกันเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางธรรมกันพอได้ได้ปฏิบัติภารกิจทางธรรมแล้วได้รับผลจากการปฏิบัติ เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นเกิดความทุกข์ลดน้อยลงไปก็เห็นคุณค่าของภารกิจทางธรรมจึงมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปออ <c oughs> ก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากวันเป็นสองจากสองเป็นสามจนในที่สุดก็ปล่อยวางภารกิจทางโลกได้อย่างเส้นเชิง เข้าสู่การปฏิบัติภารกิจทางธรรมอย่างเต็มรูปแบบคือได้เป็นนักบวชเป็นทั้งมีทั้งหญิงมีทั้งชายในสมัยพระพุทธการผู้ที่ขอพระพุทธเจ้าออกบวชผู้หญิงที่ขอบวชเป็นคนแรกก็คือแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าที่เคยเลี้ยงพระพุทธเจ้าแทนแม่ของพระพุทธเจ้า หลังจากที่แม่ของพระพุทธเจ้าได้ตายไปเจ็ดวันหลังจากที่ได้ประสูติพระพุทธเจ้าก็ได้แม่เลี้ยงคือน้องสาวของแม่เป็นพี่เลี้ยงมาเป็นแม่เลี้ยงเลี้ยงดูจกนกระทั่งเติบโตเป็นเป็นเจ้าชายและ ได้ออกบวชได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอหลังจากที่ได้ทรงตัสรู้ก็ไปโปรดสอนเรื่องภารกิจทางธรรมให้แก่ญาติสนิทมิสหายผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาเกิดความปรารถนาที่อยากจะบวชผู้หญิงคนแรกที่ขอบวชเป็นภิกษณุณีก็คือ แม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าอันนี้เกิดจากการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาภารกิจทางธรรมที่พระองค์ทรงรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แกผ่ผู้อื่นผู้อื่นนลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติพอเห็นผลก็เกิดฉันทะความยินดี ที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วไหนที่สุดก็ได้ออกบวชกันเป็นจำนวนมากแล้วพอที่ได้บวชแล้วพอได้ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็สามารถบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้กันเป็นจานวนมากมายนี่คือเรื่องของภารกิจ ทางโลกกับภารกิจทางธรรมพวกเราควรที่จะเห็นโทษของภารกิจทางโลกกันเพราะมันเป็นภารกิจที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจมากกว่าการสร้างความสุขให้แก่ใจเพราะว่ามันจะทําให้เราต้องกลับมาเกิด เพราะว่าภารกิจทางโลกนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการที่เราจะหาลาบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เราจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของแม่ท้าวรเป็นของที่เกิดแล้วจะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไป แต่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจมันก็เลยเป็นตัวที่ดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพวกเราจึงติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายกันด้วยสาเหตุอันนี้เองสาเหตุก็คือพวกเรายังมีความอยากที่จะแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัสรู้พวกเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะรู้จากวิธีรู้จักภารกิจทางธรรมที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสึ้นอาชาตินี้เป็นชาติที่พวกเรา มีวาสนามีบุญมีโชคคลาภที่ได้มาพบกับพ่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรามาปฏิบัติภารกิจทางธรรมกันเพราะว่าถ้าเราได้ปฏิบัติภารกิจทางธรรมแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะ การทำเพื่อตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็คือน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจากพวกเราไม่ทรงปรารถนา ข้าวของเงินทองอะไรต่างๆเพราะไม่มีอะไรที่พระองค์ปรารถนายิ่งกว่าการเห็นสัตว์โลกที่ติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นในวันพระเราจึงมาวัดกันเพื่อมาปฏิบัติบูบบชากันมาปฏิบัติภารกิจทางธรรมกันภารกิจทางธรรมนี้คืออะไร ภารกิจทางธรรมก็คือภารกิจในพระอริยสัจสี่นี่เองพระอริยสัจสี่คืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือพระอริยสัจศาสต ร, ร์จะทำความจริงสี่ข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโรความจริงข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์ ทุ ก, ก็คือความทุกข์ใจของพวกเรานี้เองทรงตรัสว่าพวกเราทุกข์ใจเพราะเกิดเพราะมีการเกิดเมื่อมีการเกิดแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายเวลาพวกเราพบความแก่ความเจ็บความตายพวกเราจะบ่นว่าทุกข์กันไม่มีใครบอกว่าสุขนี่คือสัจธรรมข้อแรกข้อที่สอง ความจริงหรือสัจธรรมข้อที่สองก็คือสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการมาเกิดต้นเหตุของการมาเกิดพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ามีสามคือกามัตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะภาะวะตันหาความอยากจเจริญในลาบยศสารเสริญสุข วิภาวะตัณหาความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขนี่คือความอยากสารประการที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนถ้าไม่เชื่อเราตรวจตา ด, ดูฐานตัวเองเราอยากในรูปเสียงกิรลดพทธภักกันหรือไม่เราอยากเจริญในลาบยศสารเสริญสุขหรือไม่เราอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญ สุกเส่อมหรือไม่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนถ้าตราบใดเรามีความอยากทั้งสามนี้อยู่ในใจการเกิดจะต้องมีอย่างแน่นอนการเกิดจะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนหลังจากที่เราตายไปแล้วและเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่การเจ็บการตายมีการพัดพลาดจากการตามมาซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้น มีใครบ้างที่บอกว่าไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพลากจากกันไม่มีทุกคนทุกทั้งนั้นเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเวลาเจอการพัดพลากจากกันถ้าเราไม่อยากจะเจอการพัดพลากจากกันเราก็ต้องมาละตันหา อัญหานี้เป็นกิจที่เราต้องละละปัญหาทั้งสามหยุดความอยากในรูปเสียงกินนสดหยุดความอยากเจริญในลาบยศสารเสริญสุขหยุดความอยากไม่ให้ลาบยศสะรเสริญสุขเสื่อมอันนี้เราต้องปล่อยวางลาบยศสะรเสริญสุขอย่าไปอยากได้เมื่อเราไม่อยากได้เราก็จะไม่ต้องมา กังวลกับเรื่องของการสูญเสียเมื่อเราไม่มีมันก็จะไม่มีปัญหากับเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องมละให้ได้คือตัณหาทั้งสามก a มะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาถ้าเราละได้เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จัดจะทำข้อที่สามเรียกว่านิโรธ แปลว่าการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราละกามาตัฏหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้เราก็จะได้นิโรธเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการที่เราจะหลุดพ้นได้จากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมีวิธีการละความโลภละ กามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาเพราะถ้าไม่มีวิธีการหรือเครื่องม้เครื่องมือตัญหาทั้งสามนี้มันจะไม่หายไปจากใจตอนนี้เรารู้ว่าเรามีตัญหาทั้งสามแต่เรายังไม่สามารถที่จะละมันได้เพราะเราขาดเครื่องมือขาดมัต คือสัจธรรมข้อที่สี่ความจริงข้อที่สี่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็คือมรรคมรรคก็คือเครื่องมือที่จะทําให้พวกเราสามารถละตัณหาทั้งสามนี้ได้มรรคนี้คืออะไรมรรคก็คือทานศีลภาวนาภาร ก, กิจในสัจธรรมข้อที่สี่ก็คือ เราต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์ภารกิจข้อที่สามในสัจธรรมข้อที่สามเราต้องทําการหลุดพ้นให้แจ้งทํานิโรดให้แจ้งทําให้ปรากฏขึ้นมาทําให้เรารู้แก่ใจของเราว่าการเกิดย่อมไม่มีกับเราแล้วการเกิดจะไม่มีกับเราได้เราต้องรู้ว่าเราละตัณหาได้แล้ว ละภารกิจข้อที่สองก็คือตัณหาเราต้องละและภารกิจข้อที่หนึ่งก็คือทุกเราต้องรู้เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์บางทีคนเกิดมานี้เขาไม่รู้ว่าการเกิดมานี้เป็นทุกข์กันเขาก็เลยชอบเกิดกันเราจึงต้องคอยเตือนสอนใจให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัาดพากจากกาันตามมาถ้าเรารู้ว่าเกิดเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากจะมาเกิดเมื่อเราไม่อยากจะมาเกิดเราก็จะได้ไปทำภารกิจข้อที่สองก็คือละตัณหาละตัณหาทั้งสามละความอยากทั้งสาม ถ้าเราละความอยากทั้งสามได้เราก็จะเสร็จภารกิจข้อที่สคือทําให้นิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์ปรากฏขึ้นมาคือการยุติของการเกิดนั่นเองและการที่เราจะละตัณหาได้ทํานิโรธให้แจ้งได้เราต้องมีเครื่องม้เครื่องมือเราต้องมีภารกิจข้อที่สี่ คือเราต้องสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาตอนนี้เราทำทานได้มากน้อยเท่าไหร่เรารักษาศีลได้มากน้อยเท่าไหร่เราภาวนาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัววัดผลของการละตันหาของพวกเราของการทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาถ้าเรามีทานศีลภาวนาไม่ครบร้อย เราก็จะไม่สามารถละตันหาทั้งสามให้หมดไปได้ถ้าเรายังไม่สามารถละตันหาทั้งสามให้หมดไปได้เราก็ยังจะไม่สามารถทำนิโรธให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่เราจึงต้องสร้างทานศีลภาวนานกันขึ้นมาทานก็คือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่มันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองยกเว้นจากการหาเงินเพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายคือหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายอย่าไปหามากไปกว่า น, นั้นเพราะมันจะกลายเป็นตันหาความอยาก อยากได้ลาบนั่นเองเงินทองนี้ก็คือลาบถ้าเรามีความอยากรวยอยากได้ลาบอยากได้เงินทองเพื่อที่เราจะได้เอาเงินทองมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเราจึงต้องสลระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมด แล้วก็ไปอยู่ไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชไปรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะละตัณหาเนี้ต้องอยู่ที่ศีลแปดรักษาศีลแปดแล้วเราก็จะได้มีเวลามาภาวนาการภาวนา ก็เป็นการที่จะหยุดตัณหาความอยากและทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจได้นอกจากการภาวนาการทำทานนี้ยังไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาให้หมดไปได้การรักษาศีลก็ไม่สามารถที่จะทำลายให้หมดไปได้ ต้องใช้การภาวนาทำทานรักษาสีเป็นการสกัดกัน้นความอยากให้มันอ่อนกำลังลงไปให้มันเบาบางลงไปแต่ยังไม่สามารถที่จะไปทำลายมันให้มันหมดซะไปจากใจได้เหมือนกับการตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้รักษาการทำทานรักษาสีนี่ก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งไม้ ตัดใบไม้ออกจากต้นต้นไม้ยังไม่ตายแม้แต่ตัดลำต้นต้นไม้ก็ยังไม่ตายเพราะรากยังมีอยู่ในดินก็ยังสามารถต้นก็ยังสามาร ถ, าารถจเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ได้การทำทานการรักษาสีนี้ก็เป็นเหมือนกับการตัดกิ่งตัดใบการภาวนานี้เท่านั้นที่จะสามารถถอดถอนต้นไม้ ลากของต้นไม้ออกจากดินได้ทําลายต้นไม้ให้ตายหมดไปได้ตันหาความอยากทั้งสามก็เช่นเดียวกันจะตายได้ก็ต้องเกิดจากการภาวนาการภาวนานี้ก็มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสามถะภาวนาคือขั้นตอนที่เราจะหยุดตันหาความอยากจับตันหาความอยากมามัดไว้กับ กับใจไม่ปล่อยให้มันออกไปเพ่นพาดข้างนอกแล้วขั้นที่สองก็ใช้ปัญญามาฆ่ามันสมถภาวนานี้เพียงแต่หยุดตัณหาความอยากแต่ยังไม่สามารถทําลายความอยากได้สิ่งที่จะทําลายความอยากได้ต้องเป็นวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาวิปัสสนาก็คือการรู้ แจ้งเห็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้อะไรในโลกนี้เพราะมันจะทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายคืออย่าไปอยากในลาบยศสรรเสริญอย่าไปอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้คือวิปัสสนา วิปัสสนาจะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปมีเกิดก็ต้องมีดับมันไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเวลาตายไปก็เป็นของคนอื่นไปหมดเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวนี่คือวิปัสสนา ตัวที่จะสามารถละตันหาทั้งสามให้หมดไปได้แต่การที่เราจะเจริญวิปัสสนาได้เราต้องมีสมถะภาวนาก่อนเราต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนหยุดตันหาความอยากให้ได้ก่อนและก่อนการที่เราจะมาภาวนาได้เราก็ต้องมีเวลาการที่เราจะมีเวลามาปฏิบัติได้เราก็ต้อง มีทานมีศีลคือเราไม่หาเงินหาทองแล้วเงินทองที่เราไม่อยู่มากน้อยเพียงไรเราก็สละไปหมดเราจะไม่หาเงินเราจะไม่ใช้เงินเราจะมาหาธรรมกันแทนเพราะถ้าเรายังหาเงินยังใช้เงินอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติภารกิจทางธรรมเราถึงต้องหยุดภารกิจทางโลก ภารกิจทางโลกก็คือการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี่คือเรื่องของการทำทานการทำทานก็คือการยุติการสแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมีทรัพย์สมบัติเหลือมากน้อยเพียงไรก็ไม่ต้องการจะใช้มันอีกต่อไปยกให้คนอื่นไป ผู้ที่ออกบวชยังไม่มีอะไรติดตัวไปไป บ, บวชนี้จะมีเพียงสมบัติแปดชิ้นที่พระเจ้าจะส่งมอบให้ก็คือบาตรหนึ่งใบผ้าสามผืนประคตเอวคือเข็มขัดนัดเอวหนึ่งเส้นใบมิโกนเข็มกระได้แล้วก็ที่กรองน้ำนี่คืออัฐบริคาร อัตถะปลว่าแปดบริขารแปดชิ้นสมบัติแปดชิ้นของนักบวชพอเพียงต่อการดำรงชีพพอเพียงต่อการปฏิบัติภารกิจทางธรรมคือกิจในพระอริยสัจสี่ที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่มาบวชจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จให้ได้คือข้อที่หนึ่งทรงสอนให้กาหนดทุกทุกจะต้อง ต้องศึกษาต้องสอนใจให้รู้ว่าอะไรคือความทุกข์ความทุกข์ก็คือการเกิดต้องหมันสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่ากลับมาเกิดเกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากกันถ้าเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องการการพลาดพลาดจากกันเราต้องอย่ามาเกิดเพราะเกิดแล้วมันเป็นทุกข์ นี่คือสิ่งที่พระ เ, เจ้าทรงสอนให้เราต้องหมั่นเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆท่านจึงบอกว่าทุก์ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาต้องสอนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากการที่เรามาเกิดกันทั้งนั้นไม่มีอะไรถ้าไม่มาเกิดแล้วความทุกข์ต่างๆที่เราไีอยู่ในขณะนี้มันจะไม่มีถ้าเราไม่มาเกิดเราจะมีความแก่ได้อย่างไร มีความเจ็บได้อย่างไรมีความตายได้อย่างไรมีการพัดพลาดจากกันได้อย่างไรที่มีกันเพราะว่าเรามาเกิดกันเรามีร่างกายกันดังนั้นเราต้องคอยเตือนใจสอนใจว่าทุกข์คือการมาเกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดถ้าไม่อยากจะมาทุกข์ก็ต้องทำภารกิจข้อที่สองที่เป็นต้นเหตุของการมาเกิด ภารกิจข้อที่สองก็คือสมุทัยต้องละละสมุทัยสามประการคือกามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาเราต้องละความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องละความอยากที่จะได้ราบยศสระเสริญสุขเราต้องละความอยากความไม่อยากที่จะให้ราบยศสระเสริญสุขเสื่อมจากเราไป ถ้าเรามีความอยากทั้งสามนี้อยู่ภายในใจเราก็จะต้องมีความทุกข์เพราะเราจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆและการที่เราจะละตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้เราก็ต้องทำภารกิจข้อที่4คือมรรคเราต้องเจริญให้มากมรรคคืออะไรก็คือทานศีลภาวนาเราต้องเจริญให้สมบูรณ์ ต้องทำทานให้สมบูรณ์ต้องรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องภาวนาให้สมบูรณ์ถ้าเราสามารถสร้างมรรคให้สมบูรณ์ได้เราก็จะละตัณหาได้และเราก็จะทําให้ภารกิจข้อที่สปรากฏขึ้นมาก็คือนิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะปรากฏขึ้นมาเรียกว่า ทำนิโรธให้แจ้งนี่คือภารกิจทางธรรมสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งทุกต้องกำหนดรู้สองสมุทัยต้องละสนิโรธต้องทำให้แจ้งสมรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้าได้ทำภารกิจทั้งสประการนี้แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและเราก็จะได้พระนิพพานเป็นรางวัลได้บรลมัสุขเป็นรางวัล น, นี่คือปรารกิจสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบพระองค์ทรงตัดว่าทุกที่ต้องกําหนดรู้เราได้กําหนดดูแล้วโดยที่ไม่มีใครมาบอกมาสอนเราเป็นสิ่งที่พระองค์ทรง คนพบด้วยพระองค์เองภารกิจข้อที่หนึ่งทรงคนพบด้วยตัวเองว่าทุกนี้ต้องกำหนดรู้ต้องรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์แล้วภารกิจข้อที่สองคือการละตันหาสมุทัยต้องละพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าสมุทัยที่ต้องละเราได้ละแล้วโดยที่ไม่มีใคร มาสอนมาบอกเราภารกิจข้อที่สามนิโรธที่ต้องทำให้แจ้งเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครมาบอกเรามักที่จะต้องเจริญให้สมบูรณ์เราก็ได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเพราะไม่มีใครรู้นั่นเองภารกิจทั้งสี่ข้อในอริยสัจสี่ ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงค้นคว้าหาไม่มีผู้ใดในโลกนี้รู้มาก่อนเลยว่าการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จาเป็นที่จะต้องทำภารกิจในอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อนี้ให้สมบูรณ์และการที่จะทำภารกิจทั้งสี่ข้อให้สมบูรณ์นี้ก็ให้ไปทาที่ภารกิจข้อที่สี่นี่เองการจเจริญมรรคนี่แหละ จะเป็นการาจเจริญภารกิจข้อที่1คือจะเป็นการกําหนดรู้ทุกข์จะเป็นการละตันหาและจะเป็นการทํานิโรธให้แจ้งเพราะว่าภารกิจข้อ1ข้อ2ข้อ3นี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากภารกิจข้อที่4เป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราจะไม่สามารถกําหนดรู้ทุกข์ได้ เราจะไม่สามารถละตันหาให้หมดไปจากใจได้เราจะไม่สามารถทำให้โลดให้แจ้งได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทํากันให้มากต้องเจริญกันให้สมบูรณ์ก็คือภารกิจข้อที่สี่คือมรรคที่เราจะต้องเจริญกันให้มากก็คือทานศีลภาวนานี่คือกิจวัตรกิจกรรมหรือภารกิจทางธรรม ที่พะพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญกันให้เรามาเจริญมรรคกันให้เรามาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันตอนนี้เราทำทานได้มากน้อยเท่าไหร่ขอขอให้เราทำไปก่อนแล้วขอให้เราเพิ่มไปเรื่อยๆขอให้เราหยุดการหาเงินหาทอง แล้วก็เงินทองที่เรามีเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็เอาไปทำบุญทำทานให้หมดเพื่อที่เราจะได้ออกบวชได้เพื่อที่เราจะได้รักษาศีลได้อย่างเต็มที่เมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาภาวนาได้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญส ม, มถะภาวนาทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากไว้ชั่วกล่าว เมื่อเราหยุดความอยากได้ชั่วข่าวแล้วเราก็จะใช้วิปัสสนาภาวนามาทำลายความอยากต่อไปได้ เ, เมื่อเราสามารถมีเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เห็นโทษของความอยากได้ว่าเป็นทุกข์เห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตาย เ, า เ, าเราก็จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ เมื่อเราหยุดแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานนี้ก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆสวรรค์ชั้นอื่นๆเช่นสวรรค์ชั้นพรหมโลกสวรรค์ชั้นเทวโลกนี้ยังเป็นสวรรค์ชั่วคราว ผู้ใดขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็ต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมากับเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมามาทําบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนาใหม่จนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เจริญวิปัสนาภาวนาถ้ามีวิปัสนาภาวนาแล้วก็จะสามารถที่จะส่ง ใจให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้คือสวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมเพราะว่าเหตุที่จะทำให้เสื่อมถูกทำลายไปหมดเหตุที่จะทำลายสวรรค์ต่างๆให้เสื่อมก็คือตัหาความอยากนี้เองถ้ายังมีกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ภายในใจมันก็จะทำให้ใจใน้เสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นต่างๆ จากชั้นพรมพก็ลงมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็จะลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วก็ต้องมาทําบุญใหม่ทําทานใหม่รักษาศีลใหม่มาภาวนาใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะภาวนาแค่ระดับสมถภ า, าวนาตายไปก็จะได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นพรมแต่ก็ต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่พอมาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้เจริญวิปั ส, สนาต่อจากสมถธิภาวนาเพื่อที่จะทําลายเหตุที่จะทําให้สวรรค์ต่างๆเสื่อมไปก็คือทําลายการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาด้วยวิปั ส, สนาภาวนาสวรรค์ก็จะไม่มีวันเสื่อมสวรรค์ก็จะเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานไปนี่คือเรื่องของ การบำเพ็ญภารกิจทางธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดทรงสอนให้พุทธศสาสนิ ก, ช, ก, สสนกชนเข้ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันเพื่อที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีการบำเพ็ญภารกิจทางธรรมยังมีการบำเพ็ญภารกิจทางโลกอยู่ยังมีการแสวงหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ยังจะต้องมีการเกิดตามมาเสมอเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพรากจากการตามมาต่อไปอย่างแน่นอนไม่มีใครหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ามาเกิด ถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากการแก่การเจ็บการตายการพัดพาดจากกันก็ต้องอย่ามาเกิดและการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องละตัณหาทั้งสามคือกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาการที่จะละตัณหาทั้งสามได้นี้ก็ต้องใช้มรรคเป็นเครื่องมือต้องมีทานมีศีลมีภาวนา ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของมึนทองเหมือนกับพระพุทธเจ้าสละราชาสมบัติถ้าไม่สละราชาสมบัติก็ต้องอยู่ในวงังก็ต้องทำภารกิจเกี่ยวกับพระราชาสมบัติดูแลรักษาราชาสมบัติหาพรหาพระราชาสมบัติให้มีเพิ่มมากขึ้นก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลได้เ ม, มื่อไม่ไม่มีเวลามารักษาศีลก็จะไม่มีเวลามาภาวนา มาเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดสินพระทัยสล่ราชสมบัติคือการทําทานนี้เรียกว่าการสล่ราชสมบัติการสล่ราชสมบัตินี้คือการทําทานของพระพุทธเจ้าแล้วก็มารักษาศินของนักบวชสินแปดขึ้นไปศินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่บเจ็ดสิน 7, สามร้อยกว่าข้อคือศินของนักบวช เพื่อที่จะได้ยุติกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกเลิ้ยงกายแล้วจะได้มีเวลามาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอพระองค์ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาพระองค์ก็ได้ละตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ก็ได้นิโรธคือการหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ได้พระนิพพานที่เป็นบรมีสุขเป็น ผลตอบแทนไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่ที่พระนิพพานไปตลอดที่พระนิพพานไม่ใช่ที่ศูนย์ของจิตจิตยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเป็นจิตที่ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเท่านั้นเองเพราะมีร่างกายแล้วก็ต้องทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องทุกขกับการพัดพากจากกันแลกันพระองค์จึงไม่อยากจะมาเกิด แต่การไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าพระองค์ได้หายไปไหนพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่อยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายพระอาลันตัสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าผู้ใดที่ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะได้อยู่พระนิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดนี้เอง พระนิพพานาไม่ใช่เป็นที่ศูนย์ปฏิพานานี้เป็นสวรรค์ชั้นเลดชั้นประเสริฐเพราะเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมถ้าเราคิดว่าสวรรค์ชั้นเทวดาวิเศษเลิอโลกขนาดไหนเราก็เอาคุณคูณนั้นไปคูณกับความวิเศษของสวรรค์ชั้นเทวดาเราก็จะได้สวรรค์ชั้นนิพพานดังนั้นการปฏิบัตินี้ไม่ได้ทําให้เราศูญหายไป และไม่ได้ทำให้เราไม่มีอะไรเราจะได้รับคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบรมสุขที่จะเป็นผลตอบแทนและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่พวกเรายัางยังต้องเผชิญกันอยู่ในขณะนี้และจะต้องเผชิญกันต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพวกเราไม่ไปถึงพระนิพพานกันก็ขอให้พวกเรา ยองพยายามเข้าวัดเพื่อนําเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางธรรมกันพยายามเข้าให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้ น, นจนสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบได้เต็มร้อยแล้วผลที่จะปรากฏเต็มรูปแบบเต็มร้อยก็จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิช um ิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทถามณิจูติ ระโสยถา ส, าสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขาโยโกภะอภิวาธนาสีิทสะนิจังุทธาปจายนโนจตารโหธรมาวัานติอายุวโนสุขางภาลา ลําดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมขอให้ใครถ้าต้องการถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้ถ้าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรเอาคำถามที่ถามจากทางบ้านมาถาม คำถามจากทางบ้านจากคุณจารุพรมีเพื่อนกำลังจะเปลี่ยนไปนับถือาศาสนาคริส์ด้วยเหตุผลว่ า, าศาสนาคริสตเมื่อมีปัญหาสามารถอธิฐานให้พระเจ้าช่วยได้มีที่พึ่งแต่าศาสนาพุทธต้องช่วยตัวเองมันเหนื่อยจะอธิบายเขาอย่างไรดีคะให้เขาเกิดปัญญา ไปอธิบายเขาฟังทำไมถ้าเขาไม่อยากจะฟังเขาอยากจะไปมีที่พึ่งทางนั้นก็ให้เขาไปก็หมดเรื่องคำถามจากคุณเอสพระโสดาบันสามารถรู้ว่าสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่เราได้อย่างไรครับก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูเหมือนกับคนที่เขารู้ว่าทำไมผลไม้มันถึงตกลงมาจาก ต้นไม้มันไม่ลอยขึ้นไปเขาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันต้องมีอะไรดูดมันลงมามันถึงไม่ลอยขึ้นไปก็เลยได้คนพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูดที่ดึงให้พวกเราทั้งหลายไม่ลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศคำถามจากคุณรักษ์นะรู้อย่างผมนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านตลอดไม่ก้าวหนะ้าผมจะทำอย่างไรดีครับ ที่เราฟุ้งซ่านก็เพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่ฝึกสติก่อนที่มานั่งเวลาที่เราจะนั่งให้มันไม่ฟุ้งนี้เราต้องมีสติก่อนดังนั้นก่อนที่เรามาจะนั่งเราต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องหมั่นพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเลยเวลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธไปลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไป ไปทําภารกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่น อ, อาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารหรืออะไรต่างๆก็ให้พุโทโธพุโทโธไปเพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีสติดึงใจไม่ให้คิดเวลาเรามานั่งพุโทโธพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่ฟุ้ง ก็จะสงบได้คำถามจากคุณเฉลิมพลขณะที่ผมสวดมนบทีปิโสร้อยู่อยู่ๆรู้สึกบูบแต่ยังเห็นและรู้สึกปากตัวเองสวดมนอยู่และตกใจทำให้ลืมตาปกติสวดหลับตาครับแบบนี้เรียกว่าจิตลวมไหมครับเพราะตอนนั่งผมก็เคยมีอาการแบบนี้แต่ไม่นานมีวิธีแก้ไขไหมครับ เวลาสวดวนไปไม่ไปคิดอะไรจิตก็รวมได้สงบได้แต่คงจะสงบเดียวๆเพราะว่าก็กลับมารู้สึกตัวเมื่อสวดต่อดังนั้นก็ให้สวดไปเรื่อยๆเวลาจิตวูบแล้วลองหยุดสวดดูลองใช้สติกควบคุมให้มันสงบให้มันนิ่งไปนานๆคำถามจากคุณทูวิสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับการปฏิบัติความอดทนการทำงานการเรียนคืออะไรคะไม่เข้าใจคำถามว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติความอดทนการทำงานการเรียนคืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ถามอะไรคำถามจากโยมโจ จิตของผมมันชอบคิดแต่อดีตเช้าขึ้นมาก็คิดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันก็จะหยุดคิดได้คําถามจากคุณเกลเทียมเวลานั่งสมาธิขณะที่จิตละลึกรู้อยู่ตลอดเวลามักจะได้ยินเสียงที่คอยกํากับอยู่ในใจเช่นเวลาจิตกําลังไปที่นี่เสียงในจิตก็จะบอกว่าเคยมา เคยทำอะไรเป็นความรูここ้สึกอย่างไรแบบแบบนี้ปกติหรือไม่ปกติและถ้าไม่ปกติจะแก้อย่างไรดีครับก็มันจะว่าปกติก็ไม่ใช่ไม่ปกติก็ไม่เชิงก็ให้รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่เราปล่อยวางมันได้คือไม่ต้องไปสนใจ มันมาแล้วก็ไปมันไปแล้วเราก็อย่าไปคิดถึงมันถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราได้รับประโยชน์จากการมาของของมันเราก็อย่าไปสนใจคาถามจากคุณโมคุณประดิษฐ์ลูกนั่งสมาธิทุกเช้าและก่อนนอนครั้งละหนึ่งชั่วโมงเวลานั่งในแต่ละครั้งบางครั้งรู้สึกกายหายไปมีแต่ใจแต่ยังมีความรับรู้ถึงสิ่งต่างๆยังได้ยินเสียง บางทีเกิดความคิดขึ้นมาแล้วจับลมหายใจได้เบาๆบางครั้งลูกนั่งสมาธิแบบแพ้กิเลสจิตหยุดความคิดไม่ได้แต่พยายามนั่งภาวนาพุโทโธไปขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะพยายามเสริมสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นให้มันมีอย่างต่อเนื่องมันก็จะทำให้การภาวนาของเรานี้มัน สงบและต่อเนื่องตอนนี้สติของเรามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่เวลาได้มีสติเวลานั้นใจก็สงบเวลาได้เพ้อสติใจก็ฟุ้งขึ้นมาคำถามจากคุณพยากรณ์หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือกำหนดพุทธโทพุทโทโดยไม่ต้องคำนึงว่าเข้าหรือออกทำแบบนี้ได้ไหมครับ ขอความเมตตาชี้แนะครับได้ทั้งสองแบบจะพูดเข้าโทรออกก็ได้จะพูดโทรอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวก็ได้หายใจเข้าก็รูหายใจออกก็รู้แล้วแต่ที่เราจะถนัดเราถนัดแบบไหนหรือเราทำแบบไหนแล้วได้ผลดีเราก็เอาแบบนั้นคำถามจากคุณมันอยู่ที่ใจเมื่อเราเห็นอารมณ์เห็นจิตบ่อยๆเฝ้าดูจิตอยู่ตลอด รู้ทันอารมณ์เห็นเกิดดับบางครั้งนั่งอยู่เฉยๆรู้สึกเย็นตรงอกเหมือนเปิดแอร์ไว้ข้างในการปฏิบัติของลูกไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่จะมีสมาธิเวลาทำงานตอนเดินไปมาและตอนนอนอย่าให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะคือการมีสมาธิด้นเดินนั้นเราไม่เรียกว่าสมาธิมันเรียกว่ามีสติ คือใจไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องต่างๆนี้เรียกว่าการมีสติการมีสติการมีสมาธินี้จิตต้องสงบไม่มีความคิดเลยไม่มีการกระทําอันใดเลยแม้แต่การเดินก็จะไม่มีดังนั้นการที่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้จะต้องนั่งหลับตาแล้วก็มีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเช่นให้ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธโดยการดูลมหายใจเข้าออก ถึงจะมีสติถึงจะมีสมาธิขึ้นมาได้แต่เวลาเราเดินรับใจเราไม่ได้ไปคิดอะไรแต่ยังไม่สงบมันก็เป็นเพยงแต่การมีสติเช่นเราเดินไปแล้วเราก็พุโทโธพุธโทโธไปไม่คิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้ใจก็ว่างแต่ก็ยังต้องใช้พุโทโธอยู่แสดงว่าใจยังไม่นิ่งยังไม่สงบถ้านิ่งแล้วสงบแล้วไม่ต้องใช้พุโทโธคําถามจากคุณพชาชร้า การเจ็บป่วยหนักในชาตินี้มาจากวิบากกรรมในชาติก่อนๆ ก, การที่เราภาวนาจะช่วยเราให้ปล่อยวางแต่ไม่ลดทอนกรรมไม่ดีที่เคยทำมาใช่ไหมคะกรรมต่างๆที่เราทำไว้มันก็ต้องแสดงผลไปแต่ผู้รับนี้ถ้ามีการภาวนาก็เป็นเหมือนกับมีเกาะคุ้มกันไม่ให้สะเทือนไปกับวิบากที่เกิดขึ้นทางร่างกาย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติให้พ้นทุกทางใจด้วยการเจริญอสุภะบ้างอาหาเลปฏิกูลบ้างก็เพื่อให้จิตเรามีสติปัญญาเบื่อหน่ายคลายวางจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสวยๆงามๆแล้วจะได้เลิกละหรือหลงในสิ่งเหล่านี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้อง ละตันหาความอยากคือการมสตันหาและถ้ายังประมาทมัวเมาอยู่ในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสดีๆสวยๆงามๆไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยังรู้สึกสุขสนุกสนานบันเทิงกับมันอยู่และเขาเจริญสติอยู่ในสุภะหรือเหตุของความสุขนั้นๆให้ได้มากที่สุดบ่อยครั้งมากที่สุด จะมีผลแตกต่างกันกันกนกบการเจริญอสุภะอย่างไรบ้างครับมันก็จะเกิดความทุกข์เวลาที่เกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอย่างเช่นอยากจะนอนกับแฟนแฟนบอกว่าฉันเบื่อเธอแล้วฉันจะไปนอนกับคนอื่นอันนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากเหมือนคนที่อยากจะดื่มสุราเวลาไม่มีสุราดื่มก็จะทุกขนะ์นั้น ถ้าคนเห็นโทษของการของความอยากว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็พยายามหยุดความอยากจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีความอยากแล้วต่อไปเวลาไม่มีสิ่งที่อยากได้ก็จะไม่เดือดร้อนถ้ายังอยากอยู่เวลาอยากได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี้ก็จะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยปฏิบัติโดยใช้บริกรรมหยบพองยุบแต่ต่อมาใช้พุทธโธและดูลมตอนนี้พอนั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยใช้บริกรรมพองยุบสักคู่พอสงบแล้วหายไป จึงใช้ดูลมต่อทำแบบนี้ได้ไหมคะทำยังไงก็ได้ถ้าใจมันสงบครับต่อไปเป็นเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณเฉลิมชัยนะครับผมไม่ค่อยมีต้นทุนชีวิตผมสามารถบวชและปฏิบัติธรรมที่วัดพระอาจารย์ได้ไหมครับ ก็เขามีคนมาสมัครบวชกันอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีข้อที่เขากำหนดไว้ที่เขารังเกียนเช่นมีประวัติอาชญากรรมหรือมีโรคติดต่อก็แล้วถ้ามีที่ที่ว่างก็บวชได้ที่วัดนี้จากคุณกันนิกานะครับกายเบาใจเบา และมีความอิ่มใจเป็นปกติเป็นสมาธิใช่ไหมคะมันก็มันเบาแบบไหนมันมีเบาหลายระดับอย่างเบา อ, อกเบาใจสบายใจเพราะไม่มีปัญหามันมันก็เป็นความสบายใจแบบหนึ่งแต่จะเรียกก็เป็นสมาธิองจะไม่ใช่สมาธิเราหมายถึงใจนี่นิ่งสงบปราศจากอารมณ์ปราศจากความรักชังกลัวหลง อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิจริงกรรมรรมข้ารการหลวงพ่อเจ้าคะเอ่อกรณีที่เราจะเดิญสติเนี่ยด้วยการเดินจงกรมนะคะหลวงพ่อสมมุติกรณีที่ไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินจงกรมได้เนี่ยเราจะมีวิธีอื่นที่จะเดิญสติแทนการเดินจงกรมได้หรือไม่เจ้าคะถ้าเรานั่งแล้วก็ดูลมหายใจไป ใจใจบริกรรมพุทโธไปอันนี้ก็เป็นการเจริญสติการเจริญสตินี่สามารถทำได้ในศีรียบุตนอนก็เจริญได้พุทโธพุทโธไปในขณะที่นอนก็ได้งแต่ว่าเราไม่ได้ยมเพราะว่าวานอนมันจะหลับง่ายแล้วถ้าการเคลื่อนลูกประคำหรือการไม่ควรมไม่ควรใช้อะไรภายนอก แต่แต่จะใช้ก็ได้แต่คิดว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่ควรจะใช้ใช้ใจใช้ของที่มีอยู่กับตัวเราก็พอแ้วเกิดรูปประทัหายเดี๋ยวก็ยุ่งตรง ม, มันจะยึดติดเหรอคะ อ, อแต่ถ้ามีได้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะถ้าทำแล้วมันได้สติมันได้ประโยชน์ก็ใช้ได้ได้หมดนะคะ อ, อ, อ๋อแทนกันได้ครับคุณเจ้าค่ะ มันต้องมีรูปประคำแล้วก็นับไปก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใจต้องไปคำมันด้วยไปคำมันก็ทำให้จิตมันไปมีมีสัมผัสกับอายาตนะแล้วต้องการจะถอนการสัมผัสให้หมดไม่ไม่สัมผัสรับรูบ้ทางอายาตนะทั้งหมดเวลาทำใจให้สงบมันก็ไม่ควรที่จะไปไปสัมผัสกับอะไร ควจะใช้ใจใช้พุโทโธไปใช้การดูลมหายใจไปใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้หรือสวดมนต์ไปแล้วแต่กรณีแม้แต่ฟังเทศก็ถ้าต้องใช้เครื่องก็ไม่ควรจะใช้เดี๋ยวก่อเครื่องเสียก็ไม่ได้ฟังองีก ใ, ใ, ให้ใช้ของที่มีกับเราตลอดเวลาก็คือลมหายใจหรือทาบริกรรมพุโทโธก็ได้กรรมฐาน40ชนิดนี้ใช้ได้หมด ดูอาการสามสิบสองไปผมขอนเนบ้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ได้นึกถึงความตายก็ได้เช่นวันนี้สอนให้นึกให้กําหนดทุกข์ให้กําหนดรู้ว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากการไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้ท่องตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้มันก็เป็นการฝึกสติไปในตัว และฝึกปัญญาไปด้วยแต่ถ้าจะใช้อย่างอื่นก็ไม่ห้ามอันนี้ถ้าใช้แล้วมันทำให้จิตมันไม่ลอยไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีอยู่ในคำสอนของพระเจ้าครับครับคำถามจากคุณทัศวรรณนะครับกลัวผีมากจนไม่กล้านั่งกรรมฐานครับอาจารย์ ทำอย่างไรดีคะการนั่งกรรมฐานก็เหมือนการการนั่งดูหนังมันไม่มีผีหรอกคนนั่งกรรมฐานก็ไม่มีใครเจอผีกันนั่งกรรมฐานก็นั่งเพื่อทำใจให้สงบมันไม่เกี่ยวกันเรื่องกลัวผีนี่มันเรื่องที่เราจะต้องใช้ใช้ใช้สติด้วยใช้ปัญญาแก้ถ้ากลัวผีก็ให้สวดมนต์ไป สวดมันไปเรื่อยๆจนกว่าความกลัวจะหายไปพอหายแล้วคอยนั่งหลับตาดูลมหายใจต่อไปหรือพุโทโธต่อไปก็ได้หรือจใจปลงก็ได้ว่าอย่างมากผีมันจะทำร้ายเราได้อย่างมากก็ฆ่าเราเท่านั้นเองมันจะฆ่าเราไม่ฆ่าเราก็ต้องตายอยู่ดีถ้ามันจะฆ่าเราจะหนีมันพ้นหรอมันสามารถที่จะมาได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนเร่งความจริงมันเป็นผีดอกมากกว่า ถ้ามันอยากจะฆ่าเรามันฆ่าเราไปนานแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณรุ่งลัดนะครับอุบายเพื่อเพิ่มความเพียรในการปฏิบัตินอกจากการพิจารณามรนารู้สติประจำยังมีวิธีอื่นเพิ่มเติมใหมคะก็ลองทรมานตัวเองเช่นอดข้าวอดอาหารเดือเวลาเจอความทุกข์นี้มันจะต้องทำความเพียรมันถึงจะหายหทุกข์ เนเวลาหิวข้าล้มไม่ให้มันกินข้าวมันก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบมันก็จะหายหิวพะความหิวส่วนใหญ่เกิดจากความหิวทางใจเกิดจากความอยากกินร่างกายนี้ความหิวทางร่างกายนี้มันไม่รุนแรงไม่ร้ายกายเหมือนกับความหิวทางใจดังั้นในเวลาเราอดอาหารนี่เราจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจมันก็จะบังคับให้เราต้องภาวนา พอเราภาวนาแล้วพอใจสงบมันก็จะหายหิวแลวมันก็จะทำให้เรามีความขยันที่จะอดอาหารไปเรื่อยๆพอเวลาอดอาหารเราจะได้ภาวนาจะได้ขยันทำการภาวนาเพราะมันต้องหาที่พึ่งทางใจมันต้องทำใจให้สงบมันถึงจะหายทารมานใจคำถามข้อต่อไปจากคุณกระสมนะครับ การพิจารณาสั่งโยต์สามผมพิจารณาแต่มันเหมือนเป็นสัญญาความจำนึกเอาครับอยากรู้ว่าพิจารณาอย่างไรจึงจะออกมาจากใจครับคือตอนต้นก็ต้องพิจารณาด้วยสัญญาก่อนเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาคืออะไรเช่นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็พิจารณาดูว่ามันมาจากไหนมาจากพ่อจากแม่ แล้วต่อจากนั้นมันไปไหนมันก็ไปสู่วัดไปสู่ศัพเปอไปสู่หลุมฝังศพไปสู่เมนกลายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปแล้วเราอยู่กับมันตรงไหนเราไม่ได้อยู่กับมันมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นของเราขณะที่มันมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเท่านั้นเองแต่พอมันตายไปแล้วมันก็ไปเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปสอนอย่างนี้ไว้ให้มัน ฝังใจไว้ก่อนจาให้ได้ก่อนว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็จะต้องตายไปไม่ได้เป็นตัวเราของเราอพอเราจำได้ฝังใจแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปพามันไปปล่อยตามความจริงคือเรารู้ว่าเมื่อมันจะต้องตายแล้วก็ไปหาที่ตายดูที่ไหนที่มันน่ากลัวที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์เกิความกลัวขึ้นมาเพื่อเราจะได้ใช้ ปัญญานี้มาปล่อยวางร่างกายเพราะว่าถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะหายทุกข์หายกลัวแล้วเราก็จะรู้ว่าเราได้ปล่อยวางร่างกายเราได้รู้ว่าได้รู้ว่าร่างกายนี้รู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราดันขั้นต้นก็ต้องใช้ใช้สัญญาความจำคิดไปเรื่อยๆก่อน คิดวาร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปมันจะต้องกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปเมื่อเราสอนจกนกระทั่งเราจําได้แล้วว่ามันจะต้องเป็นขี้เท่าขี้ฐานนั้นเรายอมรับเหมืนท่านต่อไปเราก็พามาไปหาที่ไหนที่มันจะทําให้มันกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานเร็วขึ้นเรียไปหาเสือหาอะไรหาสิ่งที่มันเป็นภัยต่อร่างกายแล้วพอไปเจอภัยขึ้นมาก็ก็จะได้ปล่อยวางถ้าปล่อยได้ก็แสดงว่าเรา เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราเราถึงปล่อยถ้าเรายังไม่ปล่อยก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายมันไม่ใช่เป็นร่างกายของเราเรายังยึดยังติดยังคิดว่าเป็นร่างกายของเราอยู่เราก็จะทุกข์ต่อไปเข้าใจไหยอยากจะถามผ้าจา์ว่า โสดาบันกับพระโสดาบันแตกต่างกันอย่างไรคะก็คําว่าพระนี่คันปฏิบัติก็ไม่แตกต่างหรอกค่ะก็คนเดียวกันเน่ยเรียกโสดาบันก็ได้เรียกพระโสดาบันก็ได้เหมือนชื่อคนเน่ยเรียกชื่อชื่อแดงก็ได้เรียกเรียกนางแดงก็ได้มันก็คนเดียวกันไม่ใช่แล้วการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือบุคคลที่เขาเดือดร้อน แล้วเราก็ไม่ได้คิดอ่หวังหวังสิ่งใดๆเลยแต่เราถูกเขากระทบกระทั่งด้วยวาจาที่ทำร้ายจิตใจทำให้เรารู้สึกเสียใจเขาจะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็แล้วแต่วาจานะั้นมันมั น, ม, นมันเป็นวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงหรือไม่ <Okay. S 2> แต่ก็พูดแล้วเราเสียใจนี่มันมันไม่ได้เป็นเพราะคำพูดของเขามันเป็นเพราะ กิเลสของเราที่ทำให้เราเสียใจแต่ถ้าเข้ามากล่าวได้เราว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่เป็นความจริงก็แสดงว่าเขาพูดปลดก็จะเป็นบาปแล้วก็เหมือนกับอย่างอย่างที่ว่าเขาว่ามูสาผิดศีลขาว่ามูสาเนี่ยคำว่ามูสาเนี่ยก็คือเจตนาให้ร้าย หรือทำร้ายคนอื่นอย่างนั้นถึงจะเรียกว่ามุสาแม่เจตนาเพื่อพูดไม่พูดตามความเป็นจริงทําให้บุคคลอื่นเสียหายจะเสียหายไม่เสียหายก็อีกเรื่อ ง, งไม่สําคัญคอาจจะพูดไม่เป็นความจริงแต่ไม่มีใครเสียหายก็ได้อยู่ที่เขาพูดจริงหรือไม่พูดจริงเช่นพาทิตขึ้นเวลาหกโมงแล้วเราไปบอกว่าขึ้นเวลาหกโมงสามสิบมันก็พูดปดไนดะ้มันไม่ตรงความจริง คนจะเสียหายไม่เสียหายมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันคำถามจากผู้ฝากถามถ้าอยู่ที่บ้านแล้วไม่คุยกับพ่อเพราะคิดว่าถ้าคุยอีกจะทะเลาะ ก, กันอีกก็เลยตัดปัญหาโดยการไม่คุยกันแต่เราสบายใจที่ไม่ได้คุยกับเขาอันนี้เป็นบาปไหมคะบาปตรงไหนนะไม่คุยกันน่ย <laughs> คนบไม่ไม่พูดอย่างี้ก็บาปตายเลยมันบาปตอเมื่อพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีพูดเพอเจ้พูดไร้สาระถึ่งนีเรียกว่าบาปครับคำถามข้อต่อไปจากคุณพันธ์นะครับโยมฝึกสายเวทนานุ ป, ปัสนาปัจจุบัน มีความรู้ตัวตลอดเวลาตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าคล้ายๆกระแสไฟฟ้าเบาๆทั่วร่างกายรู้สึกเบาสบายตลอดเวลาค่ะเวลามีผัสสะก็สะดุดเร็วขึ้นถ้าสติไม่พอเกิดทุกข์จะมีความไม่สบายกายและใจแน่นไปหมดจนปัจจุบันจะระวังผัสสะมากโยมควรปฏิบัติตนต่อไป อย่างไรเจ้าคะคือการปฏิบัติเวทนานี้ก็เพื่อให้ดูที่ใจของเราว่าเวลาเราสัมผัสกับเวทนาแล้วใจเราเป็นอย่างไรถ้าเราสัมผัสกับเวทนาแล้วเกิดความทุกข์ใจเราก็ต้องใช้ปัญญามาดับความทุกข์ใจนั้นว่าสาเหตุของความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากกับเวทนาที่เราสัมผัสเช่นพอเราไปสัมผัสกับความเจ็บที่ เ, เรียกว่าทุกขเวทนา เราก็จะเกิดความอยากให้มันหายพอเกิดความอยากให้มันหายมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์ทรมานใจเราก็ต้องใช้ปัญญามาละความอยากนี้ด้วยการพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความเจ็บของร่างกายนี้เป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไปไม่ได้เมื่อมันเกิดมันก็ต้อง เกเมื่อมันอยู่ก็ต้องอยู่เราถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเรายอมรับว่ามันจะต้องอยู่มันก็ไม่หายก็อยู่กับมันไปพอเราอยู่กับมันไปได้ไม่มีความอยากให้มันหายเราก็จะหายทุกข์นี่คือการปฏิบัติกับเวทนาเช่นเดียวกับเวลาเจอสุขกับเวทนาเราก็จะเกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอันนี้ก็จะทุกข์อีกเพราะเดี๋ยวเวลามันไม่อยู่ก็จะทุกข์ขึ้นมา เราก็ต้องไม่มีความอยากกับเวทนาทั้งที่เป็นทุกข์และเป็นสุขสุขกเวทนาก็อยากไปอยากให้มันอยู่นานๆทุกข์ก็เวทนาก็อยากไปอยากให้มันหายไปเร็วๆเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายินดีกับมันตามสภาพสุขเวทนาก็ยินดีตามสภาพมันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป ทุกเวทนาก็ยินดีตามสภาพมันมาก็ปล่อยมันมาไปมันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้าเราปล่อยวางสุขกเวทนาทุกเวทนาไม่ไปยุ่งกับมันด้วยความอยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการปฏิบัติต่อเวทนาด้วยปัญญาคือเราต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเวทนาเดี๋ยวทุกเวทนาเดี๋ยวไม่สุกไม่ทุกขเวทนา มันสลับผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันมาถ้าเราไปหลงไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเราก็จะทุกเวลามันหายไปถ้าเราไม่ต้องการทุกขเวทนาเราก็จะทุกเวลามันโผล่ขึ้นมาและนเราต้องกบจัดตัวความอยากของเราที่เป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกขเวทนาไม่ได้ทำให้เราทุกขแต่ตัวความอยากต่างหากที่ทาให้เราทุกขถ้าเรากาจัดความอยากที่เดียวที่อยากจะไปยุ่งกับ เวทนาทั้งสามได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาทั้งสามเวลามันโผล่ขึ้นมารอาจารย์ครับคาถามมีลังหาอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มีสภาวะของตัวเองที่อยากปรึกษาพระอาจารย์ครับคือว่าตั้งแต่ผมกลับมาทำงานครั้งนี้เกี่ยวกับวิดีโอครับสภาวะจิตมันจะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่ง ท, ที่แต่ก่อนเนี่ยเรามักจะมองแต่มุมดีๆของ ทุกสิ่งทุกอย่างครับอาจารย์แต่มันก็มีมุมที่ไม่ดีผสมมาบ้างอะไรเงี้ยไปไปมองเอทําไมไม่ดีอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าครั้งนี้อ่ารู้สึกว่าใจมันไปทางดีหมดเลยไม่เอาเรื่องไม่ดีเลยแม้แต่คนที่ชั่วที่สุดในโลกเรายังมองว่าเขาเป็นคนที่รักพ่อแม่ได้เราไม่มองจุดไม่ดีของเขาเลยอาเงี้ยครับอาจารย์การที่เรามองจุดแง่ดีมากไปเนี่ยมันมีผลเสียผลร้ายอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเรามองไปในแง่ที่ดีแตไ่ไม่ตรงกับความจริงมันก็อาจจะทำให้เราเสียใจได้เช่นไปมองว่าเขาดีแต่ความจริงเขาไม่ดีมันก็จะเสียใจได้เราควรจะมองตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรจะไปยินดียินร้ายกับความดีหรือความเชื่อของเขาเราต้องยอมรับว่าคนเราทุกคน มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปนกันไปปนกันมาความดีของเขาก็เรื่องของเขาความไม่ดีของเขาก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้มาทำให้เราดีหรือไม่ได้ดีจากการที่เขาดีหรือไม่ดีเราต้องมองแบบนี้คือเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยใจที่เป็นธรรมไม่มีอคติไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลง การที่เราจะมองแบบนี้ได้เราต้องมีใจที่เป็นอุเบกขาใจจะเป็นอุเบกขาได้ต้องมีสมาธิใจต้องรวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็จะมีอุเบกขาเวลาเรามองอะไรเราก็จะมองตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรามองเห็นเขาดีเราก็ไม่ได้ดีใจไปกับเขาเห็นเขาร้ายเราก็ไม่ไปเสียใจกับเขาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่องปกติถ้าเรามีอคติต่อสิ่งต่างๆใจเราก็จะแกว่งไปแกว่งมาก็จะทุกไปกับสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมองตามความเป็นจริงอย่ามองแต่แง่ดีแต่งานมองในแง่ดีมันก็ดีอย่างเช่นเวลาที่เราโกรธใครเราก็ควรมอง ความดีของเขาพนเรามันมีทั้งความดีและความไม่ดีเวลาโกรธเกลียดใครก็ให้นึกถึงความดีของเขามันก็จะทำให้เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาได้ให้อภัยเขาได้แต่ถ้าเวลาเขาไม่ดีแล้วเรามองแต่ส่วนที่ไม่ดีก็จะทำให้เราโกรธให้เราเกลียดเขาอันนั้นก็ต้องรู้จักใช้มันเวลาจะมองแต่ก็ต้องเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเอง พยายามมองความดีของคนก็ดีแต่ยังไปมองในแง่ดีมันต่างกันคงจะเข้าใจความหมายคือมองความจริงถ้าก็มีความดีพยายามมองความดีของเขาแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้สึกดีกับเขาคำถามข้อต่อไปจากคุณจูนนะครับอุเบกขาเราพยายามจะวางอุเบกขากับสิ่งต่างๆแต่ตอนนี้ เป็นเรื่องพ่อแม่ของเราเองที่เรามองเห็นว่าเขาไปทำเรื่องที่น่าจะไม่ถูกไม่ควรพ่อน่าจะโดนหลอกเอาเงินแล้วยังมาชักชวนคนในครอบครัวให้ไปทำด้วยและน่าจะมีคนอื่นด้วยแต่เรายังไม่ได้รู้ความจริงแต่มีความเป็นไปได้ 99.99% อ99ร์ซึ่งพ่อเขาเชื่อผู้หญิงคนนั้นและเชื่อคนที่เขาไปฟังว่าจะได้เงินแน่แน่ ลูกก็เลยไม่ขอพูดอะไรคะ่ะแต่ตอนนี้ห่วงแม่มากเพราะตอนแรกโกรธพ่อมากแต่ตอนนี้แม่กลับไปมีผู้ชายคนอื่นซึ่งเท่าซึ่งเด็กเท่ารุ่นลูกแบบนี้เราควรจะวางอุเบกขาหรือไปตักเตือนดีคะก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่นะถ้าเขาไม่มาปรึกษาเราเราก็ไม่ต้องให้คำปรึกษาเขา ถ้าก็มาขอคำปรึกษาก็ค่อยไปให้คำปรึกษาเหมือนกับพระเนี่ยพระไม่ได้ออกไปบอกชาวบ้านว่าเอ้ยอย่าถืออย่าทำบาปนะให้ชาวบ้านเข้ามาที่วัดแล้วค่อยบอกแต่ในเวลาเข้ามาวัดนี้เา้าจ้ารมาฟังเทศทางธรรมมาขอคำปรึกษาเราก็เทศสอนเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าไปเคาะประตูบ้านแล้วบอกว่ารักษาศีลห้าให้ได้นะเอย่าไปทำบาปนะเดี๋ยวก็จะโดนตะเพิดนะ คำถามข้อต่อไปจากคุณวีระชัยนะครับพ่อผมไปเจอคนจับเต่าได้จะเอาไปฆ่ากินเลยขอซื้อคนจับเต่าบอกถ้าคุณเอาไปกินผมขายถ้าคุณเอาไปปล่อยผมไม่ขายแต่พ่อผมได้บอกว่าจะเอาไปกินโกหกแต่ความจริงได้เอาไปปล่อยเรื่องการโกหกนี้จะเป็นบาปไหมครับถ้าโกหกแบบนี้ก็ไม่เป็นบาปแล้วเพราะมันเป็นกุศโลบาย เพราะว่ามันเกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดโทษแก่ผู้อื่นหรือกับตนเองอย่างนี้ก็เรียกกุศโลบายแต่อย่าไปโกหกเมีย ว, ว่าไปทำธุระแล้วไปเที่ยวที่ไหนแล้วกลัวเมียจะเสียใจอ ย, ยนะอย่าง น, างนี้อย่างนี้ก็เรียกปิดบังโทษของตนเองปิดบังบากของตนเองนี่ผิดไม่ควรจะปิดบงัง ยอมรับผิดดีกว่าสารภาพแล้วจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปได้อย่างสบายคำถามข้อต่อไปจะคุณทันวาลินนะครับขออุบายในการลดความอยากและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าก็ความอยากมันมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละชนิดก็มีวิธีแก้ไม่เหมือนกันเช่นอยากอาหารเราก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยงามความสกปรกของอาหาร อาหารที่เข้าไปในปากแล้วถ้าเราคายออกมานี่เรายังจะตักเข้าไปกินใหม่ได้หเปล่า ท, ทั้งที่มันอยู่ในปากนแสนใจ อ, อร่อยอร่อยพอเราคายออกมาใส่จานแล้วก็ตัดเข้าไปกินใหม่เรากินได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลายความอยากและผ่านอาหารลงไปถ้าเราอยากจะมีแฟนเห็นคนไหนเห็นคนนั้นก็สวยคนนั้นก็หลอ่อก็ต้องดูอสุภาพดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาบ้างดูเข้าไปใต้ผิวหนัง ร่างกายนี้มันไม่มีแต่เฉพาะผิวหนังเท่านั้นภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรให้เห็นเยอะแยะไปหมดมีตับมีไตมีลำไส้มีหัวใจมีปอดมีอะไรสิ่งต่างๆถ้าเราเมาเห็นส่วนต่างๆที่ปกถูกปกปิดไว้ด้วยผิวหนังพอเราเห็นแล้วเราก็จะทําให้เราคลายความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนได้ ก็แล้วแต่ว่าเรามีความอยากในเรื่องอะไรเราก็ต้องพิจารณาส่วนใหญ่ก็พิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเช่นอยากได้ลาบยศสารเสริมสุขก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วมันไม่ใช่ควมว่าจะได้มาเรื่อยๆบางทีเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็จะเสียใจแล้วสิ่งที่เราได้มาแล้วมันหมดไปก็จะเสียใจเช่นเดียวกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะลดละความอยากต่างๆได้ ให้พิจารณาไตารลักษณ์อเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมาได้มันก็ไปได้และเวลาอยากจะได้มันไม่มามันก็ทุกข์ได้ให้คิดอย่างนี้คำถามข้อต่อไปจกุญจาคานะครับพยายามพิจารณามรณสติว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา แต่ยังมีความหวาดกลัวเพราะกลัวจะรักษาจิตไว้ไม่ได้ถ้าเวทนามันแรงมากและกลัวจะไปเกิดในอบายคําถามข้อหนึ่งทำอย่างไรไม่ให้จิตไปจับกับเวทนาเวลาตายเราก็ต้องฝึกทําสมาธิฝึก ส, สติมีพุโทโธพุโทโธไว้ถ้าเรามีสติมีพุโทโธเวลาเกิดทุกขเวทนาเราก็สามารถใช้พุโทโธนี้ดึงใจไม่ให้ไปเกาะติดกับเวทนาได้ หนึ่งใจให้เข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นวิธีการชั่วคราวแต่ยังแต่ยังไม่หายขาดวิธีจะให้หายขาดจากความที่จะไปติดกับเวทนาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวทนามันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้เรฉั้นเราอย่าไปรักไปชังมันถ้าไปรักความสุขเขเวทนามันก็จะทาให้เราเกิดความ ชังในทุกขเวทนาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รักสุ ข, ขเวทนาเราก็จะไม่ชังทุกขเวทนาเราก็จะปล่อยวางมันได้ฉะงั้นเราต้องมีสมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิเราสอนด้วยปัญญาว่าถ้าเราไปยากกับทุกขยาขเวทนาไม่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกขเวทนามันก็จะทำให้เราทุกเราก็จะปล่อยเราก็จะไม่ไปติดกับมันได้หมด้อยง ข้อที่2นะครับถ้าเรารักษาศีลห้าตลอดเวลาบุญกุศลนี้จะช่วยไม่ให้จิตเศร้าหมองตอนตายได้ไหมคะหรือว่าก็ยังไม่แน่นอนคะศีลห้านี้ถ้ารักษาได้อย่างบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราปิดการไปเกิดในอบายได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายส่วนจิตจะเศร้าหมองไม่เศร้าหมองนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับกิเลสที่บางทีศีลก็ไม่มีกาลังที่จะไป ไปแก้ได้ถ้าจะทำจิตให้ไม่เศร้าหมองมก็ต้องมีสมาธิเวลาจ ะ, จะตายใจก็เข้าเข้าไปในสมาธิใจก็จะเย็นจะสบายหรือต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาก็ปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะไม่ไม่มีความเศร้าหมองกับความตายใจศีลอย่างเดียวนี้ไม่มีกำลังพอที่จะไประงรับความเศร้าหมองได้คำถามข้อต่อไปจากคุณอาแฟม น, นะครับ ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดและดับอยู่อย่างนั้นและพยายามปล่อยละวางอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการนั่งสมาธิภาวนาเสมอๆ เ, เพียงเท่านี้จะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่ขอรับมันก็จะเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ต้องปล่อย หลายอย่างด้วยกันคือต้องละสังโยชน์ทั้ง10ข้อได้ถึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าละยังไม่ครบ10ข้อก็ยังไปไม่ถึงพระ น, นิพพานคําถามข้อต่อไปจะคุณภาวนานะครับข้อที่1ใจเราจะมีอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาได้หรือไม่เมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาก็มี2วิธีก็ต้องเจริญสติต่อไป ใช้สติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดในทางความอยากมันก็จะยังเป็นอุเบกขาอยู่แต่ถ้าเวลาเผลอใจไปคิดถึงความอยากกันก็จะมาทำลายอุเบกขาไปอันนี้ก็สตกิก็ยังจะไม่สามารถที่จะรักษาอเบกขาได้อย่างถาวรถ้าอยากจะให้ใจเป็นอุเบกขาถาวรหลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาทุกครั้งที่เกิดตัณหาก็ใช้ปัญญามากาจัดมัน กำจัดตัญหาได้ทุกทั้งู้เบขาก็จะคงอยู่ต่อไปได้ข้อสองการที่เราใช้กำลังสติแล้วควบคุมใจให้สงบในชีวิตตลอดเวลาประจําวันนั้นทําได้หรือไม่คะก็ทําได้หรือเปล่าละ่ะลองทําดูเลยอยู่ที่สติถ้าเรามีสติต่อเ น, นื่องเราก็จะควบคุมใจไม่ให้วุ่นวายได้แต่ก็ต้องไม่เผลอไม่ ไม่ไม่ไม่หายไปเวลาลายเผล้ปั๊บมันก็อาจจะระเบิดออกมาก็ได้เพราะเหมือนกับเราไปกดน้ำที่เดือดเดือไว้ไปอุดรูระบายความร้อนไว้พอเกิดมันมีช่องหน่อยเผอหน่อยมันหลุดออกมามันก็จะมาแรงได้ดังนั้นการควบคุมกิเลส ด, ด้วยสตินี่มันยังไม่พอเพราะว่ามันไม่ได้ทำลายตันหาความอยากให้หมดไปมันเพียงแต่กดเอาไว้ ถ้ากดมาไว้มากๆแรงมันดันมากๆเวลาถ้าสติเราอ่อนเมื่อไหร่สติแตกเมื่อไหร่มันก็จะระเบิดขึ้นมาได้งนั้นคนบางคนบางที่นั่งสมาธิแต่พอถึงเวลาโกรธขึ้นมานี่มันโกรธแบบสุดๆเลยก็มีงั้นต้องใช้ปัญญาเท่านั้นแหะถึงจะทาให้ อ, อการระเบิดของตันหาความอยากนี่มันไม่ปรากฏขึ้นมา คำถามข้อต่อไปจากคุณธิดานะครับเวลานั่งสมาธิทุกครั้งจะปรากฏว่าหลังโค้งลงกับพื้นทุกครั้งเลยเจ้าค่ะจะมีผลอะไรไหมคะเพราะไม่ได้หลังตรงคือเวลานั่งสมาธิตอนต้นเราก็ตั้งเราก็นั่งให้หลังตรงเสร็จแล้วเราก็มาดูลมและพุโทโธตอนที่เราดูลมพุโทโธนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจกับทางนั่งว่ามันจะตรงหรือไม่ตรง มันจะงอหรือไม่งอก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้มานั่งเพื่อมาดัดร่างกายเรามานั่งเพื่อมาควบคุมใจด้วยสติงั้นขอให้เรามีสติอยู่กับการควบคุมความคิดของเราส่วนร่างกายมันจะเอ็นไปทางซ้ายขวาเอ็นไปทางหน้าข้างหลังก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไปสนใจไปกังวลมันก็จะไม่ได้ภาวนาเราก็จะไม่ได้ไม่ได้คุดโทล้วก็จะมามวแต่มาปรับท่าของร่างกาย ดัง น, นั้นไม่ต้องไปสนใจนะมันจะงอหรือไม่งออั น, นี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของร่างกายไม่เป็นไรเรื่องที่เราต้องการก็คือเรื่องของใจคือความสงบใจจะสงบก็ต่อเมื่อเรามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องคาถามข้อต่อไปจากคุณสุ ม, มาวดีนะครับจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของเราถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือยังเป็นแค่อุปจารสมาธิคะ มันจะรู้เองเวลาจิตรวมลงสงบเต็มที่มันจะมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจศูนย์อุปจารสมาธินี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆเวลาใจสงบแล้วใจออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็เรียกว่าออุปจารสมาธิถ้าสงบแล้วไม่ออกไปรับรู้เราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ามันสงบนานก็อัปปนาสมาธิ ถ้าสงบเดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเขียนพอจิตรวมปั๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาเพราะความตกใจบ้างเพราะความตื่นเต้นบ้างมันก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเดี๋ยวเดียวแต่ถ้าสงบแล้วเน่งไปนานๆมันก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าสงบแล้วไม่เน่งออกมารับรู้นิมิตต่างๆเห็นนู่นเห็นนี่เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นผู้ผีปีศาจอันนี้ก็เรียกว่าอุปปจารสมาธิ เหลือแค่นทีนะหมดไหมยังหมดหมดแล้วครับพระอาจารย์ก็คิดว่าวันนี้พอสมควรกับเวลาอาจจะทุลักทุเล่บ้างสำหรับทางบ้านก็ขออภัยด้วยแล้วจะพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ